วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งสำหรับครัวหลวงพ่อเองคือวันพรุ่งนี้เป็นวันที่27เมษายน2548เป็นวันครบรอบวันเกิดของหลวงพ่อถ้าจะว่าไปแล้วเป็นวันครบรอบพิเศษคือครบรอบ60ปีครบรอบ ถ้าเป็นราชการก็ว่ากเกษียณอายุแต่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ไม่มีวันกเกษียณอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งงานหนักไปเรื่อ ย, อยแต่ว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดพนี้เป็นวันครบรอบห้ารอบของหลวงพ่ออายุหกสิบปีถึงนับว่าทางโลกถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันกเกษียณอายุ แต่ตามไม่จริงอายุของหลวงพ่อเนี่ยถ้าจะว่าไปแบบพูดแบบโลกโลกก็ว่าครึ่งอายุไขหรือว่าครึ่งอายุแต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่ละคนไม่มีใครที่จะถึงอายุร้อยยี่สิบปีไม่มีหรอกอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ก็บ่ายสามหลวงพ่อว่านะบ่ายสามบ่ายสี่เข้ามาแล้วไม่ใช่หยุดเที่ยงวันแล้วบ่ายเกือบจะเข้าบ่ายสองบ่ายสามแล้ว ใบสามละอายุหกสิบแล้วจะอยู่ไปอีกกี่ปีถ้าแปดสิบปีก่อนรู้สึกว่าโดยมากก็จะนานไปโดยมากเจดสิบห้าปีถ้าเจสิห้าปีหลวงพ่อก็จะอยู่เพียงอีกสิบห้าปีสิบห้าปีก็อยู่หน่อยเดียวต้นเองเพราะนั้นวันเกิดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อได้คิดทบทวนพิจารณาดูถ้าว่าท่านผู้ใดก็ตาม ถ้าจัดวันเกิดสนุกสนานเฮฮามีการเล่เลนเลื่อนเลงบันเทิงหลวงพ่อว่าคิดไม่ถูกในความรู้สึกหลวงพ่อนะทำจัดอย่างนั้นไม่ถูกคือวันเกิดนี่จะต้องมีการทำบุญมีการส้ารวมระวังมีการประกอบคุณงามความดีให้ส้ารวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยรักษาศีลรักษาธรรมในจิตใจ ทำให้จิตใจไม่กระเพื่อมทําให้จิตใจไม่เออกระเลอเคหามันจึงจะถูกเพราะเหตุไรลวงพ่อจึงคิดอย่างนั้นหลวงพ่อว่าเนี่ยความตายของเราเนี่ยมันไหลไปข้างหน้านเรื่อยๆหลวงพ่อถ้าว่าเป็นคิดเป็นหลักกิโลนะแหมหลวงพ่อเข้ามาหกิกิโลใช่ไหมแหมหกสิบกิโลแล้วหลวงพ่อเดินทางมาเพื่อจะไปสู่หลักประหารประหารคือคำว่าหลักประหารหลักที่80ดิบใช่ไหม หลงพ่อเข้ามาถึงหกสิบแล้วจะมาสนุกสนานเลื่อนเลงบันเทิงเฮฮาเนี่ยมันไม่ถูกนะ เ, เพราะอีกเจ็ดสิบแปดสิบกิโลมันก็ใช่เ อ, อถูกหลักปะหานนะตายแหละเ อ, อเพราะฉะนั้นเราจะไปสนุกสนานใกล้หลักปะหารทะเลยิ่งสนุกสนานนะมันไม่ถูกหลวงพ่อว่านะ อ, อมันต้องเตรียมตัวระมัดระวังเตรียมตัวด้วยความพร้อมว่าจวนที่จะหลักปะหารเนี่ยเราพร้อมหรือยังใจเราพร้อมหรือยัง ใจของเราปล่อยวางหรือยังโปลงหรือยังจิตของเราจิตใจของเราสงบนิ่งหรือยังแล้วก็บุญกุศลที่เราพร้อมที่เราสั่งสมมาในี่พร้อมหรือยังสิ่งเหล่านี้มันต้องเตรียมพร้อมไว้ที่จะเดินไปสู่หลับนั้นไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แบบลืมตัวสนุกสนานเฮฮาพอไปถึงจุดนั้นก็ถูกประหารไปอันนั้นแปลว่า ผูกประหัดประหารด้วยความลืมเนื้อลืมตัวหลวงพ่อว่าไม่ถูกนะอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าให้ระลึกถึงความตายไปอยู่เสมอดูก่อนอาน o ์ท่านระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์บอกว่าประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่ะเพราะพระพุทธเจ้าอยู่ว่าประมาทอยู่นะแล้วพวกเราท่านทางหลายหลายระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง ขนาดวันละร้อยครั้งพราะพระพุทธเจ้ายัางตำหนิพระอานนท์ว่าเป็นผู้ประมาทอยู่ต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายฮะอย่างนั้นจริงๆนะออกแล้วไม่เข้าก็ตายเข้าแล้วไม่ออกก็ตายเหมือนกันให้พวกเราคิดไว้อยู่เสมอนะคนระลึกถึงความตายอยู่เสมอเนี่ยจะเป็นผู้ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเออถึงคราวเราแล้วเหรอถึงคราวเราเราก็ไป แต่ว่าก่อนที่จะถึงคราวเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ได้อย่างหลวงพ่อไปวัดของหลวงพ่อสุธรรมที่น้องสาวของท่านเผาวันที่17เจที่ผ่านมาหลวงพ่อเองก็พูดเกินๆนะเป็นแนวความคิดอันหนึ่งว่าพวกเราทุกวันนี้รอวีซ่านะวีซ่ามาถึงเมื่อไหร่พวกเราก็จะได้เดินทางเมื่อนั้นเดี๋ยวนี้พวกเรารออยู่คนที่ตายไปพวกเราไปส่ง คือส่งขึ้นเสิงตะกรส่งคอมเมนคือส่งขึ้นเครื่องหละไม่มีวันกลับมาอีกแล้วคนคนนะั้นจบเพราะงั้นเน่ยเป็นกระดูกมาแล้วแต่ว่าจิตใจของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศนั้นท้าวว่าไม่มีบุญคนไม่มีบุญเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนคนไม่มีเงินคนไม่มีเงินไปต่างประเทศไปยังไงพอไปตกประเทศไหนแล้วไม่มีเงินไปยังไงหน้าดําคําเขียดจิตใจ หม่นมองเศร้าซ้อยไปหมดเพราะไม่มีเงินและจะทํำยังไงคนไม่มีเงินไปเห็นถังขยะเขาไม่มีอันจะกินกับไปเขี่ยวถังขยะเขากินเลยสิไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารตรงกันข้ามกับคนมีเงินคนมีเงินเมื่อออกเดินทางไปต่างประเทศพอไปถึงน่นเอาเงินซื้อเลยเครื่องบินไม่ว่าจะเหมาเครื่องบินเมื่อกันซื้อเครื่องบินเลยเพราะมันมีเงินเนี่ยคนมีเงินมากเหมารถซื้อรถได้ พอไปถึงปล่อยทิ้งมาเลยไม่เอาไม่อีกก็ได้เพราะมันมีเงินเนีเ่ย อ, อยู่ที่ไหนไปที่ไหนสะดวกสบายทั้งหมดเพราะมีเงินไปอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นน่ะให้พวกเราให้สั่งสมบุญเอาไว้เมื่อสั่งสมบุญเอาไว้ถ้าว่าตายจากชาตินี้ไปเดินทางไปต่างประเทศพวกเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนไปที่ไหนก็จะไปสวรรค์ชั้นไหนจะไปพรมโลกหรือจะไปสวรรค์ตลอดถึงไปนิพพาน ถ้าเรามีบุญนะถ้าเรามีบุญต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่มีบุญก็เหมือนกับคนไม่มีเงินไปที่ไหนก็ลําบากเพราะฉนั้นพวกเราควรสั่งสมบุญเข้าสู่จิตสู่ใจของเราเอาไว้ให้มากทั้งที่เราเกิดมาพบพภพศา ส, สนาให้ทานเอาไว้รักษาศีลเอาไว้ภาวนาเอาไว้การทําบุญไม่ใช่ว่าจะมีทานอย่างเดียวรักษาศีลก็ใช่ว่ายพระสวดมนต์นั่งภาวนาก็ใช่ปฏิบัติบิดามารดา ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นมีหลายหลายทางที่เป็นท้นทางที่สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจแต่ถ้าว่าพวกเร า, เาไม่ได้ทําบุญเอาไว้ไม่ได้เตรียมเอาไว้ เ, เวลาถึงมรณภัยเข้ามาถึงก็กลัวนะกลัวตายอย่างมากๆเพราะออกไปข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะได้รับความสุขสนุกสบายอย่างไร พราะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้แต่ถ้าหาคนที่มีบุญเคยสั่งสมบุญเอาไว้แล้วอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาอย่างนี้ท่านว่าเอ้ยกลัวทําไมถึงค่าวแล้วเหรอถึงข่าวก็ไปสิกลัวทําไมทุกคนจะอยู่ในอยู่ค้าฟ้าได้ยังไงทุกคนก็ต้องตายอันนี้คล้ายๆว่าท่านพร้อมท่านเตรียมพร้อมท่านคิดไปแล้วบุญกุศลของท่านพร้อมแล้วพร้อมที่จะรับทุกอย่าง พอไปข้างหน้าท่านก็นหวังแล้วไม่มีทางที่จะทุกได้เพราะท่านได้สั่งสมบุญกุศลไว้เต็มเปี่ยมแล้วเตรียมเงินไว้พร้อมแล้วที่จะเดินทางไปที่ไหนก็เรีรับความสะดวกสบายทั้งนั้นแหละอันนี้คือท่านผู้มีบุญท่านผู้เตรียมเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะจะต้องเดินทางต่างประเทศแน่นอนรอฟีซ่าของใครของเราอยู่อต้องได้เดินทางน ะ, ะไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งละ่ะ ทุกคนนะ่ะนับตั้งแต่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกันนี้นะเดินทางมาถึง60สิบไมล์แล้วว่างั้นแต่ยังอีกกี่ไมล์ก็ไม่รู้ละว่างั้นแต่หลวงพ่อก็เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงไม่สนุกสนานไม่เฮฮาแล้วก็ไม่ทุกขไม่ทุกเตรียมพร้อมอยู่เสมอว่างั้นแต่เพราะฉะนั้นวันเกิดของหลวงพ่อในครั้งนี้หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ไม่ได้จัดงานวันเกิดแต่ว่าวันเกิดของหลวงพ่อเนี่ยวันที่27 เพียงญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องต่างคนก็ต่างจดจำกันไว้หลวงพ่อไม่ได้มีบัตรเชิญเรื่อบัตรนิมนต์ดีกาอะไรทั้งหมดถ้าว่าท่านผู้ใดมาก็มาด้วยความสมัครใจหลวงพ่อก็ยินดีที่ได้พบได้เห็น อ, อกตนญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่ได้มาบวชหรือว่าได้มาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็พออกพอใจ เห็นคณะสัตยาญาติโยมมาร่วมในวันนี้แต่ถ้าว่าไม่มามาไม่ได้ไปกิจธุระหรือไม่ได้มาหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งหมดก็ขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขเนะ่าผู้ที่มาแล้วเขาขอให้ได้บุญมากๆขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขหลวงพ่อก็มีแต่คิดอย่างนั้นเท่านั้นแต่ถ้ามาเจอกันก็ดีพอปีหนึ่งก็มาพบมาเจอกันมาเห็นหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ได้เห็นออกตนญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่อกดีใจชื่นอกชื่นใจเหมือนกันแต่ถ้าว่าไม่เห็นกันเลยนานๆไปกะห่างเหินกันไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นผลดีแต่ถ้าว่ามาพบมาเจอกันปีหนึ่งอย่างน้อยก็สักครั้งหนึ่งอย่างที่วันเกิดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นสิริเป็นมงคลสําหรับทั้งหลวงพ่อเองทั้งลูกศิษย์ลูกหานี่ยนะได้มาพบมาเจอได้มาสนทนาปารบกัน พวกเราก็จะได้เห็นหลวงพ่อแก่ไปขนาดไหนปีนี้ที่มาเจอมาเห็นมาพบเป็นไงสุขภาพหลวงพอ่อดีไหมแหมอย่างเนี้ยพวกเราก็จะได้มารู้มาเห็นด้วยตาพวกเราเองแหมหลวงพ่อเองก็จะได้เห็นลูกศิษย์ลูกหาที่มาเออเป็นไงลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยยังมีอยู่เนาะแหมให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติคุณงามความดีเด้ออย่างหลวงพ่อสอนเนี่ยนะศีลห้าเน้ออกตนญาติโยมเน้อทําคุณงามความดีเน้ออย่างเนี้ย พวกเราจะได้เดินทางไปต่างประเทศเอออย่างนี้หลวงพ่อก็จะได้กล่าวตักเตือนให้พวกเราให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันนี้ก็คือพวกเราได้มาพบมาเจอกันเพราะนั้นอย่างวันนี้ก็เป็นวันมงคลมหามงคลสำหรับหลวงพ่อเองที่ได้พบได้เห็นลูกศิษย์ลูกหาหลายหน้าหลายตาแต่ท่านผู้ที่ไม่มา หลวงพ่อก็ส่งจิตไปเหมือนกันนะขอให้ทุกศิษย์ลูกหาทุกคนนะให้มีความร่มเย็นเป็นสุขให้ล่ารวยโชคดีทุกๆคนผู้ที่มาก็ให้ได้บุญได้กุศลมากๆและก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภ า, าละล่ารวยโชคดีปรารถนาะสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาะที่มาร่วมในวันเกิดของหลวงพ่อในครั้งนี้ และก็พร้อมกันหลวงพ่อเองก็อยากจะเตือนญาติโยมทุกๆท่านเรื่องทานเรื่องศีลพวกเราก็พอจะรู้ทีนี้เรื่องภาวนาแต่พวกเราจะห่างเหินไปเรื่องภาวนานี่โดยมากจะไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่เรื่องภาวนาในจิตตะภาวนา เ, นเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราที่เป็นชาวพุทธพุทธมามะกะพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งของลูกศิษย์ที่หลวงพ่อเองเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องเนี่ย หลวงพ่ออยากจะขอร้องหรือกล่าวตักเตือนให้พวกเรานั่งสมาธินะการนั่งสมาธินี่แหละจะทำให้จิตใจของเราไม่กระเสือกกระสนไม่วุ่นวายไม่ว้าเวไม่อ้างว้างเงียบเหงาจิตใจมีหลักยึดถ้าคนมีจิตใจจิตใจมีหลักยึดแล้วมีแต่ความอุ่นอกอุ่นใจนะไม่ว้าเวไม่อ่างว้างไม่อ้างว่างเงียบเหงา แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ฝึกทางจิตใจเมื่ออายุเท่าแก่ชรามาแล้วนะเราไม่มีที่ยึดที่เกาะนะเราจะคิดถึงลูกถึงหลานผลี่สุดเลยเป็นเด็กไปทีนี่ใจของเราเป็นเด็กไปทั้งที่เราแก่อีไม่มีหลักยึดคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดทั้งวันคิดทั้งคืนลูกหลานเขาก็มีธุระการงาน เขาคงไม่ได้มาเกี่ยวข้องตัวเองก็มานั่งคิดว่าเขาเกียจเขาชังเราอย่างไงทําไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ได้คิดแต่ตามไม่จริงอันนั้นแปลว่าขาดหลักธรรมในจิตใจเพราะฉะนั้นหลวงพ่ อ, อยางจะขอร้องพวกเราทุกๆท่านอย่างเดี๋ยวนี้แหละตั้งแต่ตั้งต้นตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปเออได้ยินหลวงพ่ออินท่านพูดแล้วท่านว่าให้ภาวนาเน้อเพื่อจะให้ใจของเรามีหลัก มีกฎมีเกณฑ์จิตใจของเราจะได้สงบเย็นเป็นสุขทดลองฝึกขัดดูนะไหว้พระจบเรียบร้อยแล้วกลางคืนนะวันไหน ส, สงบสงบให้ลูกหลานเขาหยุดดูโทรทัศน์หยุดมีเสียงซะก่อนเพราะงั้นจะถ้าว่ามีเสียงอยุดนั่งภาวนานะ่ยมันไม่เข้ากันกับเสียงนะให้หยุดเขาหยุดโทรศัพท์ซะก่อนหยุดโทรทัศน์ซะก่อนแต่ว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ย ถ้าจะนั่งภาวนาเนี่ยควรปิดเอาไว้หลวงพ่อว่านะไม่ควรจะเปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนปิดเอาไว้ซะในช่วงที่เรานั่งภาวนา2030ิามสิบนาทีมันไม่พอจะรวยเพราะโทรศพัพท์หรอกถ้ามันรวยมันก็รวยมาพอแรงแล้วละ่ะดับไว้ก่อนปิดไว้ก่อนจากนั้นก็ไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทธโธนโมตสสะพุทธงังธรรมังสังขังจุดแท้แต่เราจะสาธยายอันไหนได้แล้วก็สาธยายแล้วก็ไหว้พระ บางคนก็บอกสวดยอดพระกันนี่ได้ไหมเอาได้สวดไปเลยนะีพอสวดเจ็บแล้วก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นขอขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คือแผ่เมตตาพอแผ่เมตตาเสร็จแล้วแต่นี่ก็กลาบไปทางหัวนอนของเรานะั่นแหะแต่ไม่ต้องมีพระพุทธโลกก็ได้นะ ถ้ากราบในห้องพระก็ยิ่งดีแต่ถ้าว่าไม่มีจะกราบที่หัวนอนเราได้ไม่ได้พราะกราบระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราเรากราบระลึกถึงพระคุณของท่านพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบเพื่อพระองค์เองพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านแนะนําให้พวกเราได้รู้ได้ปฏิบัติพระสงฆ์นําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ มาบอกกล่าวให้พวกเราได้เข้าใจพระพุพพพทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณสําหรับเราเรากระดาดึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็นั่งขัดสมาธินี่นะนั่งอย่างพระประธานเนี่ยนะหรือว่าบางคนนั่งไม่ได้อย่างนี้จะนั่งเก้าอี้ก็ได้ขึ้นไปนั่งเก้าอี้ก็ได้นะย่างย้อนขาก็ได้ถ้าว่าพอนั่งได้ก็นั่งขัดสมาธินั่งสมาธิอย่างพระประธานเนี่ยนะจากนั้นขาขวาทับขาซ้ายทํากายให้ตรง ปนมมือขึ้นมาในระหว่างอกนึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆสมจบจากนั้นก็เอามือลงเอามือลงเราจะภาวนาบริกรรมเสียก่อนก็ได้ทําใจให้ว่างๆทาใจให้สบายๆข้าพ เ, เจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพ เ, เจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขบริกรรมในใจจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกละทีนี้หายใจเข้าพุทธ หายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทรพุทเออแต่ถ้าหากว่ามันจิตใจมันยังออกไปอยู่มันยังนั้นอยู่เราก็บริกรรมขนาดทุกความคิดของเราในขณะที่เราคิดในช่วงช่วงที่เราคิดเอาคำบริกรรมไปอยู่ที่หัวใจที่เราคิดพุทโทพุทโทพุทโทรพุทธจบเราแต่เราไม่ต้องออกปากนะให้บริกรรมในใจพุทธโทรพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทพุทธโทรพุทธโทอย่างนั้นก็ได้นะ คือไม่ให้มีช่องว่างไม่ให้มันคิดไปทางอื่นเมื่อกี้แต่ให้ตึกนแตพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวอย่างได้แต่ทีนี้ถ้าว่าเรากําหนดลมกําหนดแล้วมันจับไม่ได้จะทํายังไงหลวงพ่อมันจับไม่ได้พมันไม่เห็นลมเนะ่ยเพราะเราไม่เคยกําหนดเราก็พยายามหายใจเข้าแรงๆนะหายใจเฟิ่อยแล้วก็หายใจออกแรงเฟิ่อยหายใจเข้าหายใจออกหายใจชัจกสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดครั้งนะ เราก็พอจะรู้ได้แต่ลมกระทบที่ไหนลมกระทบที่ปลายจมูกเออแล้วก็หายใจผ่อนผ่อนผ่อนผ่อนเข้าผ่อนเข้าค่อยค่อ ย, อ ย, อยตามปกติหายใจปกติเทนี่เราก็จะรู้ได้เออหายใจพอปกติลมกระทบที่ปลายจมูกหรือชานจมูกเออจากนั้นเรากำหรดเอาสติจับอยู่ที่นั่นเท่นีเมื่อสติจับอยู่ที่นั้นหายใจเข้าเราก็บริกรรมบอพุทธเวลาหายใจออกเราก็โท ทำใจให้สบายๆไม่ต้องเกรงไม่ต้องกึงไม่ต้องเกรงกับลมนะไม่ใช่ชัดไม่ใช่อแต่งลมมันทั้ไม่ท้ยไม่ถูกให้เป็นธรรมชาติที่สุดเหมือนกับลมหายใจเราเข้าหายใจออกแต่เรามีสติลมหายใจเข้าออกอย่าไปแต่งลมถ้าแต่งลมพิษนะท่านเปรียบเทียบ ว, ว่าเวลาลมเข้าเหมือนกับคนเดินเข้ามาทางประตูเวลาลมออกคนเดินออกประตูเดินเข้าประตูออกประตู เพราะนั้นเรายืนอยู่ข้างประตูนะยืนอยู่ข้างประตูคนเข้ามาเราก็รู้ว่าคนเข้าคนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไปไม่ต้องตามลมออกไปไม่ต้องตามลมเข้ามาอันนี้แหละวิธีการนะวิธีการภาวนาที่จะจับตัวใจจับตัวผู้รู้จับตัวจิตให้สงบนะอันนี้แหละพยายามริเริ่มสร้างหลักฐานชื่อว่าสร้างหลักขึ้นให้ใจมีหลักนะ ให้ใจมีหลักหนะึ่งวิธีการทําอย่างนี้แหละท่านี้กําหนดลมหายใจเข้าพุทธายใจออกโทที่ใจเอาพุทธท่านี้ใจของใจของเรามันก็จะเย็นสบายสบายเข้ามาเรื่อยเรื่อยจิตนิ่งเข้าสู่ความสงบระบาดนีอยเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเราจะรู้ได้เออใจของคนนี่ที่ว่าจิตสงบจิตสงบนี่เป็นอย่างนี้เองนะเอเราจะรู้ได้ด้วยตนเองท่นี้ความหมัน่นความขยันก็จะเกิดขึ้นเองทีนี้ พระนั้นเวลาเราคิดถึงใครก็ตามปิน้นคิดปูงฟุ้งซ่านมันทุกข์เน๊เอ่เมื่อเราคิดมากๆมันทุกข์ไม่ใช่เลยจะปวดหัวเนี่ยจะเป็นไข้เครียดอีกต่างหากไม่เกรงกินอีกต่างหากเออมันหลายเรื่องหลายแถวเนีเวลาเราคิดมากๆนะแต่เนี่เราคิดมากๆมันไม่เกิดประโยชน์ฟิ่งเข้ามาหากรรมฐานฑ์นี่สิกรรมฐานพุโทโธเนี่ยปล่อยวางใจสบายสบายเ น, นเนี่ยพราะนั้นนี่เรียกว่าใจมีหลัก เออถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแก่ชราเราคิดว่ามันคิดไปอะไรเพื่ออะไรมันไม่เกิดประโยชน์คิดกระเท่านั้น่ะพูดภาวนาดีกว่ามันก็เข้ามาหาหลักเออพุโทโธพุโทโธเมื่อพุโทโธแล้วจิตใจจะไม่ว้าเหวจิตใจจะไม่อ้างว้างจิตใจจะไม่เงียบเหงาจิตใจมีหละเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะฝึกหัดเอาไว้นะเอออีกวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดนะอคนแก่คนเท่า พอมาแล้วจิตใจไม่มีหลักมีกฎมีเกณฑ์แล้วจิตใจว้าหวิอ้างว้างนะพวกเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นพวกเราได้พบได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วใครพวกเราให้ฝึกหัดภาวนาเอาไว้เตรียมไว้ในอนาคตไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแหะถ้าเราไม่ตายง่ายนะจะต้องเจอน่ะที่พวกเราเคยเห็นไม่ใช่เหรอเห็นปู่า่าตายายของเราเนะ่ยพออายุแก่ขึ้นมาแล้วหมดสภาพนอนอยู่ ในเรืออย่างนั้นเห็นตาแมแมบอยู่งั้นนะงั้นพวกเราจะเป็นอย่างนั้นเหรอเพราะนั้นพวกเราอย่าอย่าให้คิดเป็นอย่างนั้นนะต้องคิดวางแผนเอาไว้นะพยายามภาวนาเอาไว้คนที่มีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วลูกหลานก็เคารพยำเกรงหน้ากากไหว้บูชาเห็นพ่อเห็นแม่พูดอะไรออกไปเขาขกลัวบาปเพราะพ่ อ, พอแม่มีศีลมีธรรมแต่พวกเราทําตัวไม่ดีพ่อแม่ทําตัวไม่ดีสมมาเลเทเมากินเหล้าเมายา ผลที่สุดลูกเต่าเขาก็ไม่ขาดความเคารพขาดความยำเกรงเพราะฉะนั้นพวกเราต้องพยายามรักษาตัวของเราให้มีศักดิ์ศรีให้มีศีลมีธรรมให้เป็นพ่อแม่ปูย่ย่าตายายที่มีศีลมีธรรมหลวงพ่อว่าจะเป็นที่ยำเกรงของลูกของหลานนะต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นพวกเราให้เตรียมตัวไว้ต้องแก่แน่ๆถ้าวีซ่าไม่มาง่ายเพราะงั้นแต่ถ้าวีวีซามาง่ายก็ยังว่าเน้นะ พวกเราก็จะต้องเดินทางต่อไปถ้าเดินทางต่อไปเราก็ได้เตรียมพร้อมนี่ยเราได้ภาวนาไว้เลยจิตใจของเรามีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วไปข้างหน้ามันก็ต้องมีความสุขมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะได้เตรียมบุญกุศลไว้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาทั้งสามอย่างนี่ควรจะทำพร้อมๆกันนั่นแหละจําเป็นไหมจะต้องทานใช่ถ้าว่าเราต้องการความสุข มีลาบมียศเนี่ยต่อไปภายภาคหน้าต้องการความสุขเราก็ต้องทำฐานเกิดพบหน้าชาติหน้าจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเราจำเป็นไหมจะต้องรักษาศีลใช่ศีลคุ้มครองถ้าคนรักษาศีลชีวิตยืนยาวชีวิตจะไม่ตกทุกข์ได้ยากร่างกายก็ไม่เก็บไข้ได้ป่วยเพราะอันนี้สงศ์ศีลคุ้มครองได้ทรัพย์สมบัติมาก็ไม่มีโจรขโมย โ, ยโจรมา ปนมาจี้มาคดมาโกงเราอ น, นิี้สงสินเก่าคุ้มครองได้ลูกได้เต้ามาสามีพัญญาขาอยู่ในโอวาทนับถือกันเชื่อถือกันพูดอะไรก็เข้าเข้าใจกันเพราะ อ, อ น, นิี้สงสินตัวที่สามคุ้มครองเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ไม่มีใครโกหกตอแหลโคดโกงเราหลอกลวงเราได้เพราะอั น, นิี้สงสินข้อที่สี่คุ้มครองเราข้อที่หเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็มีสติสมบูรณ์ ไม่เป็นบ้าไม่เสียจิตเพราะอา น, นิสงส์ไม่ดื่มน้ำเมาคุ้มครองนศะีลคุ้มครองเราเราก็มีความร่มเย็นเป็นสุขนะอา น, นิสงส์ทานเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะอา น, นิสงส์ทานคุ้มคองอั น, นิสงส์ภาวนาจิตใจมีสติมีปัญญาเสียแลมคิดอะไรพูดอะไรก็เป็นทีนับถือของคู่คนทั้งหลาย น, นี่อั น, นิสงส์ศีลทานภาวนาเหมือนกับสามขาอยางอย่างนั้นนะ่ะนี่แต่ความร่มเย็นเป็นสุข ต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยพราะนั้นเราทำสิ่งไหนไว้สิ่งนั้นก็จะต้องตามสนองนะถ้าเราทำกรรมดีไว้กรรมดีก็จะตามสนองถ้าทำกรรมชั่วไว้กรรมชั่วก็จะตามสนองเ่พราะนั่นพวกเราควรจะสร้างแต่คุณงามความดีเอาไว้นะอย่างหลวงพ่อเคยพูดแบบให้น่าคิดว่างั้นนะบางคนเขาบอกว่าโอยอย่าไปทานเงินให้พระ ปัดใจให้พระทานเงินให้พระทําให้พระลุ่มหลงทำให้พร ะ, ะเสียพระไปได้แต่หลวงพ่อไหวพระองค์ที่จะเสียน่ยถึงจะทานเงินไม่ทานเงินก็เสียอยู่แล้วเพราะมันโง่แต่ถ้าว่าองค์ที่ฉลาดเ่ถึงจะมีมากมีน้อยท่านก็ฉลาดท่านก็รู้จักใช้เหมือนกับศรัทธทาญาติโยมบางคนน่ยบางคนมีเงินมากก็หลงได้เงินมากก็สมมาเลเทเมากินเหล้าเมายาสุรานารี อันนั้นมันหลงแต่บางคนได้มากเขาก็ไม่หลงเพราะเหตุไรเพราะเขามีปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละพระสองฆ์องค์เจ้าบางท่านท่านได้มาแล้วท่านก็ไม่หลงไม่มัวเมาอันนี้เป็นสมบัติเป็นของใช้ชั่วคราวมันเอาไปด้วยไม่ได้หล้ถึงจะมีมากขนาดไหนมันก็เอาไปด้วยไม่ได้เอามาใชใ้เกิดประโยชน์ในโลกนี่แหละ อ, อ, อันนี้เทวะเป็นผู้มีปัญญาไม่ลุ่มไม่หลง แต่มันจําเป็นได้ใช่ไหมใช้มาจําเป็นได้ใช่เวลาครูบาอาจารย์มาวัดหลวงพ่อเนี่ยท่านจะเอาอะไรเติมน้ํามันท่านก็เอาปัจจัยของศรัทธาญาโยมที่ถวายนั่นแหะเติมน้ํามันของท่านมาหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อก็เอาจตุปัจจัยที่ญาติโยมถวายนี่เติมน้ํามันจากนั้นก็สร้างวัดวาศาสนาอย่างพวกเราเห็ น, นเห็นนี่ยนะสร้างหลงลาโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย หลวงตาพาทำกับศรัทธาญาติโยมจะตุปัจัยของศรัทธาญาติโมยมนะี่แหละอันนี้ทางว่ามีปัญญาเสียอย่างเดียวหลวงพ่อว่าไม่เสียพระถ้าว่างโง่เสียอย่างเดียวเท่านั้นน่ะต้องเสียพระแต่ว่าก่อนที่จะทําก็ต้องเลือกต้องดูต้องใช้ปัญญาพิจารณาซะก่อนค่อยทําอันนี้คือการเลือกให้พระสุคตทรงสารเสรื่อไปลว่าให้สเปดสภาพุทธเจ้าตําหนิเหมือนกันนะถ้าการเลือกให้ การเลือกให้ก็คือเลือกอะไรคืออยู่ในใจของเราไม่ใช่ว่าเลือกให้หลวงพ่ออินไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่าไปคิดอย่างนั้นเลือกให้องค์อื่นใครก็ได้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะไม่เสียหายทําบุญกระท่านไปเลยเพราะท่านมีความจําเป็นจะต้องได้ใช้ไม่ใช่ว่าบริจาคเงินคําทรัพย์สมบัติแล้วจะเสียพระไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เวลาตัวเองล่าที่นีเ่เวลาตัวเองทานอาหารบริจาคอาหาร เวลาหาเงินหาเงินยากเลยพ่อไม่เคยทานเงินเนี่ยทายัางไงหาเงินยากแถ้าเกินทําไมมันหายากอะพราะไม่เคยทานเงินใช่ไหมทําสิ่งไหนทานสิ่งไหนเราก็ได้สิ่งนั้นแหละแต่ถ้าว่าทานเงินทานคํำรัพย์สมบัติเราก็ได้หาได้ง่ายเนีเพราะอันนี้สงทานเรามีถ้าเราทานสิ่งไหนเท่าเราขี้เกียจทานเกิดพบหน้าชาติาทําทอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เกินเพราะอะไรอันนี้สงทานไม่มีเรื่องทานะคือการให้คือการเสียสละเนี่ ต้องคิดให้ดีถ้าทวัดเราทําไม่ดีก็อย่างว่าเนี่ยเสียหายอีกอย่างหลวงปู่สิงทองท่านเคยพูดการทำบุญกับพระที่ปฏิบัติไม่ดีเหมือนกับส่งเสริมโจรห้าร้อยเทานัหลวงพ่อยังจาได้จะเป็นเนนน้อยเออใช่บ่ถ้าวัดพระปฏิบัติไม่ดีเหมือนกับส่งเสริมโจรห้าร้อยให้พ้นศาสนาให้สั้นเข้าไปส่งเสริมเอาเงินไปให้พระที่ปฏิบัติไม่ดียิ่งทําศาสนาให้เสื่อมมาก อันนี้ก็คือรบปู่สิ้งทองที่ท่านพูดหลวงพ่อก็จําได้แต่สมัยเป็นเนนมาพิจนาดูว่เออมีส่วนมา ง, งั้นาแต่แต่ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มาแล้วก็ท่านเฉลือเผื่อแผ่แจกช่วยญาติโยมโรงพยาบาลอะไรบ้างอย่างหลวงตาทําเลยหลวงพ่อวันนี้นะี่ยควรสนับสนุนหลวงตาที่ที่หลวงพ่อพูดเถึงไหมกาแพงของหลวงพ่อเนี่ยหลวงตามหาบัวที่ท่านให้มายี่สิบกว่าล้านย เคืองลงตามหาบัวให้มาสระน้ําหลงตามหาบัวให้ม า, าลงตาท่านสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ที่ท่านไม่ได้บอกประกาศอะไรนะไม่ใช่แต่วัดหลวงพ่อแห่งเดียวนะหลายหลาแห่งขณะในเรือนจําราชยาวท่านก็นจึงบริจาคไปทั้งาสามสี่สิบกว่าล้านน่ะโรงพยาบาลต่างๆมาเนี่ยท่านได้มาจากไหนก็นได้มาจากศรัทธาญาติายยาโยมถวายท่านเมื่อถวายท่านแล้วก็เออเอาเกิดประโยชน์ในส่วนไหนท่านก็บแบ่งปันช่วยโรงพยาบาลต่างๆไป เกิชุมชนสังคมประเทศชาติแต่หลวงตามหาบัวท่านพูดน่าคิดนะท่านบางบางแห่งบางวัดท่างห อ, อกว่าเงินปัจจัยที่เขาถวายสงฆนะ์น่ะไม่ควรจะเอาไปสงเคราะห์ให้แก่ทางโลกเขาไม่ควรจะให้สร้างโรงรําโรงเรียนเพราะเป็นเงินของสงฆ์หลวงตามหาบูวบอกว่าพูดอย่างนั้นไม่ถูกคิดอย่างนั้นไม่ถูกในเมื่อเขาให้มาศรัทธาญาติโยมขอให้มาให้แก่สงฆ์ สงก็ควรจะคืนให้แก่ประชาชนญาติโยมสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนสังคมประเทศชาติมันจึงจะถูกแต่สงไม่รับอย่างเดียวไม่มีการสงข้อคนอื่นแสดงว่าสงเห็นแก่ตัวมากไม่สงไม่ควรจะอยู่กับโลกของเขาหลวงตามหาบัวว่หลวงพ่อก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยขององค์หลวงตาในเรื่องเนี่ยเพราะว่าเมื่อเขาให้แก่เราเราก็ควรสงเข้อแก่ชุมชนสังคมประเทศชาติ โรงพยาบาลบ้างโรงเรียนบ้างอย่างหลวงพ่อเนี่ก็ช่วยโรงพยาบาลได้หลายแห่งเหมือนกันที่คิดเร็วๆนี่ก่อนเนี่ยเครื่องมือแพทย์เครื่องห้ามเลือดแก่โรงพยาบาลสูรุดรแล้วก็เครื่องในยิงโต่กระจกตาคนครพนมแต่ละแห่งก็ล้านกว่าบาทอันนี้ก็คือเงินพี่น้องประชาชนที่ถวายแต่พูดทางนี้ทางนั้นไม่ใช่หลวงพ่อต้องการเงินจากพวกเราให้มาช่วยหลวงพ่อไม่ใช่นะอันนี้เป็นการพูดให้ฟัง การทำบุญกับครูบาอาจารย์พระ ส, สงฆ์องค์พระเจ้าผู้ที่ท่านสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์โลกนั้นมีอยู่่ไม่ใช่ว่าจะทําให้เสียหายปนปี้ไปหมดผู้ที่ทําให้เสียหายก็มีเพราะนั้นให้พวกเราให้เข้าใจเอาไว้วงการไหนก็เถอะมันมีหมดทุกวงการนั่นแหะวงการสงก็มีวงการคณะศรัทธาญาติโยมโรงพยาบาลตำรวจทหารอะไรมีวงมันมีผู้เสียทั้งหมดนั่นแหะมันไม่ใช่ว่าจะมีทุกคน ผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็าไม่ใช่ว่าเอาพลทหารมาบวชเอาคนมีกิเลสมาบวชคนมีกิเลสมัก็สามารถที่จะทําความชั่วได้ทํากรรมชั่วได้เอพราะกิเลสมันไม่มาละกิเลสไม่มาถอดถอนกิเลสเอากิเลสมาอยู่ในพุทธศาสนาทั้งรุ่นอมันก็เสียหายได้สิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าพวกเราควรจะแยกแยะให้ออกอไม่ใช่ว่าเราจะตีลวดไปหมดมันก็ไม่ถูก วัดว า, าศาสนาครูวาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอยู่แต่ว่าต้องรู้ให้ดีต้องใช้ปัญญาและอีกอย่างหนึ่งขอเตือนพี่น้องประชาชนญาติโยเมเหมือนกันนะหลวงพ่อเคยพูดมาหลายๆครั้งเวลาจะบวชนาคที่ใดเวลาจะบวชพระที่ใดหลวงพ่อก็บอกแต่วันนี้มาพร้อมกันหลายๆคนอย่างนี้หลวงพ่ออยากจะพูดให้ได้ยินทุกๆคนน่ะ เ, เพราะเหตุไรพบบางทีหลวงพ่อได้ยินในสื่อต่างๆหลวงพ่อก็นึกโมโ ห, โหอยู่ในใจเหมือนกันนะแต่ไม่โมโหมากแ่างั้นแนตะคือเขาบอกว่าพระทําตัวไม่ดีอย่างงั้นพระทําตัวไม่ดีอย่าง น, น, างนี้พระเสียอย่างนั้นพระเสียอย่างนี้แต่ตามไม่จริงหลวงพ่ออยากจะถามชุมชนสังคมสื่อต่างๆเหมือนกันบอกว่าพระที่ทําชั่วน่ะได้สื่อประวัติดูหรือเปล่ามีใครสื่อประวัติดูหรือเปล่าว่าพระองค์นี้บวชมาเมื่ อ, อไหร่ ก่อนบวชเป็นประวัติเป็นมาอย่างไรเป็นคนชั่วและเป็นคนดีถ้าว่าเป็นคนดีมาบวชแล้วมามาชั่วในศาสนาเนี่เออหน้าตําหนิเออแสดงว่าหนึ่งพระองค์นี้บวชแล้วไม่ภาวนาไม่ขัดเกลากิเลสไม่ได้ศึกษาเนีแปลว่าหน้าตําหนิเออเพราะทําทำคําสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยถ้าว่าบวชเข้ามาแล้วตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่มีแต่คนดีทั้งนั้นอันนี้คือคนดีเข้ามาบวชถ้าเสีย ก็ น, น่าจะคิดอย่างนี้แต่อีกอย่างหนึง่งคนที่มันชั่วอยู่แล้วจนพ่อแม่พี่น้องเอาไมา่อยู่ว่างั้นเถะเออสมมามเณรเทเมาจนเหลือขอพอแรงนะไม่รู้จะทํำยังไงเอามาฝากไว้ในวัดเอามาบวชเอามาบวชทีนี้ก็ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจไม่ได้ฝึกหัดขัดเกลาของตัวเองมาพอมาบวชแล้วกลับมาเป็นนักเรียนอยู่ในวัดอีทำกทํากรรมชั่วพอทํากรรมชั่วขึ้นมาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทําสิ่งที่ไม่ควรทํา แต่พอรู้ออกไปสังคมชุมชนก็ประนามพระบัตเนี่ยพระไม่ดีอย่างงั้นพระไม่ดีอย่างนี้นนหลวงพ่อวันน่าจะสืบดูประวัติว่าพระองค์นี้ที่ก่อนมาบวชเป็นยังไงถ้าว่ามาบวชก่อนที่มาบวชพ่อแม่ก็เอาไม่อยู่พี่น้องก็เอาไม่อยู่เหลือขอพอแรงและเอามาบวชหลวงพ่อวันน่าจะประนามญาติพี่น้องของพระหรือว่าคนที่ทํากรรมชั่วนั่นนะ่ะน่าจะประนามว่าทําไหม สูจ้าจึงเอาลูกหลานชั่วๆมาบวชในพุทธศาสนาถ้าเอามาอย่างนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้นะมันมาทําลายพุทธศาสนานะต้องเอาลูกดีๆสออิการศึกษาดีๆเป็นลูกที่ดีเออลูกคนนี้ของเราเนี่ยหลานคนนี้ของเราเนี่นิสัยดีมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกการศึกษาก็ดีกิริยามารยาทก็ดีพวกเราควรจะเอาลูกหลานคนนี้เนะี่เข้าไปบวชไว้ในพระพุทธศาสนา เมื่อบวชเข้ามาแล้วพวกเราจะได้กราบไหว้สักการะบูชาด้วยความเต็ม อ, อกเต็มใจเพราะลูกหลานของเราเป็นคนดีคนเนี้ยตั้งอ่อนแต่ออกตั้งแต่เกิดมาดีมาตลอดอย่างนั้นมันจึงจะถูกไม่ใช่ว่าเอาลูกหลานเร็วๆเสร็จแล้วก็ามาบวชบวชแล้วก็ปล่อยตัดถางปล่อยวัดก็วิ่งหนีเลยลว่างั้นกลัวมันจะกลับตามมาอีกเพราะงั้นแต่อย่างนั้นหลวงพ่อว่ามันไม่ถูกนะจากนั้นก็ประนามพระพุทธศาสนาล่ะ ว่าพุทธาศาสนาไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้หลวงพ่อที่เป็นพนระในพุทธศาสนาหลวงพ่อก็ได้ยินมาแล้วหลวงพ่อก็ไม่สบายใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นประกาศใหญ้ญาติโยมไปพิจารณาดูนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดไหม้าวัดลูกหลานดูแล้วมันเหลือขอเอาไม่อยู่กินเหล้าเมายาติดยาบ่งยาบ้าจะเป็นบ้าแล้วจะเอามาบวชมันจะเป็นคนดีได้อย่างไร เอ่มันก็เสียหายต่อพุทธศาสนาเพราะนั้นที่หลวงพ่อพูดทางนี้ไม่ได้ดูถูกเกีดยดหย้มผู้ใดใครผู้หนึ่งทั้งหมดเป็นแนวความคิดของพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปส่วนพระสงฆ์องค์พระเจ้าหลวงพ่อก็พูดนะอุปชาอาจารย์อะไรก็ตามก่อนที่จะเอาลูกหลานมาบวชต้องถามไถ่ด้วยให้ดีว่ากินเหล้าไหมติดเหล้าไหมติดยาบ้ายา마าติดกาวไหม อ่าไปยังไงนิสัยสมเเมาเลเทเมามาก่อนไหมอ่าแต่ถ้าหากว่านิสัยไม่ดีที่ไม่สมควรที่จะบวชก็ควรจะพักไว้ก่อนอ่าไม่ควรจะบวชควรจะฝึกหัดดัดนิสัยเป็นโยมเป็นตาพรขาวมาก่อนจนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเสร็จแล้วจึงเอามาบวชอ่าเพราะในครั้งพระพุทธเจ้าก็มีด้พอบวชเข้ามาท่องเอสาหังก็ไม่ได้ไม่ได้เก่าบวชเอง ครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์ใครเห็นว่าเออคนบวชมากๆ ก, ก็ดีเห็นใครไปจับบวชหมดว่างั้นแต่ข้อบวชเข้ามาเข้อบวชแต่กายแต่งชุดกายคือมีผ้ากีวรนสีสระลน้นแต่ใจของเขาไม่ได้บวชแต่บวชเข้ามาแล้วทากรรมชั่วต่างๆญาติโยมทั้งหลายเขาก็เห็นโอ้ยพระในพุทธศาสนาเนี่ทําไมทํากรรมชั่วถึงขนาดนี้ไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเพราะทำในสิ่งที่ไม่ควรทําทีนี้ญาติโยมก็พูดมากๆขึ้น พระสงฆ์ก่อนผู้มีหิริคือความละอายอุตตปะความกลัวต่อบาปก็ไปกราบทูดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าอ้าวทาไมเป็นอย่างนี้เรียกมาถามสงฆ์ซักไซไล่เลียงถามดูว่าทําไมเป็นอย่างนี้เมื่อถามไปแล้วก็บอกผู้ที่เขามาบวชนะเขาไม่ได้ศรัทธาอุปชาอาจารย์บอกจะให้บวชเขาก็บวชพอบวชเสร็จแล้วใจของเขาไม่ได้บวชเขาบวชแต่ร่างกายเขาก็ทํากรรมชั่วอย่างกินขา้าวแรงแกงน้อนอะไรก็เขาก็ทําไป เพราะเขาไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติวินัยขึ้นมาภิกษุไดก็ตามรับคุณลัมพุทธสุดท้ายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาต้องแสดงความจำนองเองต้องขอบวชเองต้องแสดงความจำนองเองท่าว่าไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเองนะั่นไม่ให้บวชอันนี้ก็คือเป็นมาในครั้งพระพุทธเจ้าของเราแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันน่ยมาถึงจุกสุดท้ายภายหลัง ครูบาอาจารย์เองเลอยากจะได้หมูได้เพื่อนอยากจะได้ลูกศิษย์ลูกหามากใครๆก็มากว้านมาบวชหมดพอบวชเข้ามาแล้วก็มีปัญหาผลในสูตรก่นเนี่แหละพอหลายๆปีขึ้นมากะทำตัวไม่ดีทําให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายสื่อต่างๆก็ปนนามพระสงฆ์ขึ้นมาหลวงพ่อว่าไม่เป็นธรรมนะถ้าอยากจะให้เป็นธรรมก็ต้องสืบสอบรูปประวัติว่าคนนี้เป็นยังไงประวัติต้องพูดมาตั้งแต่เริ่มแรก ไม่ใช่ว่าประนามเมื่อป้ายมือประนามผลของมันทําไมไม่พูดถึงเหตุเหตุมันมาเป็นยังไงมันจึงมีผลอย่างนี้มันต้องมีเหตุซะก่อนมันจึงต้องมีผลมันไม่ใช่ว่าขึ้นมาแบบลอยๆอยอันนี้หลวงพ่อพูดวันนี้ก็พูดเป็นแนวความคิดนะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบ พ, พอหลวงพ่อจะได้พูดอย่างนี้ น, นันานาจะได้พูดที่หนึ่งนะ เพราะว่าญาติโยมไม่ได้มาหาหลวงพ่อมากถึงขนาดนี้เพราะฉนั้นวันนี้ญาติโยมมามากหลวงพ่อเลยแสดงความคิดเห็นให้พวกเรารับรู้รับทราบเป็นแนวความคิดเอาไว้อันหนึ่งเป็นการเตือนพวกเราส่วนหนึ่งที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบต่อไปในภายภาคหน้าแต่ทั้งยังไงก็อย่าลืมอย่างที่ปุ๋หลวงพ่อโพูดนะหลักใจเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งหลักใจคืออะไรคือฝึกหัดภาวนา ฝึกหัดภาวนาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็ น, นั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตใจอยู่กับตัวเองปล่อยวางทั้งหมดไปคิดถึงเรื่องอย่างอื่นให้มีแต่พุโทโธพุโทโธต่อไปภายภาคหน้าจะเกิดประโยชน์สาหรับพวกเราจิตใจของเราจะไม่ว้าวีอ้างว้างอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นอันนี้คือประเด็นหลักในวันนี้ที่หลวงพ่อพูดนะประเด็นหลักไงคือจุดนี้แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายภาวนา ให้ยึดหลักปฏิบัติคือจิตตภาวนาจะเป็นผลสืบเนื่องไปต่อไปในอนาคตจนถึงเท่าแก่ชราจากนั้นก็พวกเราก็จะได้จิตใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างเต็มเปี่ยมไม่หลงตายไม่สะทกสะทานเมื่อถึงคราวมรณะภัยเข้ามาถึงการพูดหรือการแสดงตรวงพ่อในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ตอนเช้าประมาณชั่วโมงหรือเจดโมงกว่า ก็ไม่น่าจะถึงเจ็ดโมงครึ่งนพะระสงฆ์ก็บินทบาตรอบศาลาเพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเรื่องข้าวน้ําอะไรที่มาพักในวัดก็พยายามหาจงหาจา น, นให้ตักบาตรให้ทั่วถึงกันบินทบาทเสร็จแล้วก็พระสงฆ์ก็ขึ้นมาบนศาลาพอบนศาลาเสร็จแล้วก็จัดเอาของอาหารเสร็จจากนั้นก็ให้ศีลให้พรคณะศรัทธาญาติโยมก็คงจะจบเพียงเท่านั้นล่ะนะจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับ พิธีการวันพรุ่งนี้หลวงพ่อก็จะพูดอีกวันพรุ่งนี้อีกตอนที่ฉันยังหันเสร็จแล้วล ก, ก่อนฉันยังหันใจพูดให้ฟังอีกเพราะถ้าศรัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมที่ยังไม่มาเขาคงจะมีนะั่นแหะเขาคงจะไม่มีอะไรละทีนี้จากนั้นก็แยกย้ายกันกลับต่างคนก็ต่างนำทำคำสั่งสอนที่หลวงพ่อได้พูดในวันเกิดของหลวงพ่อวันนี้ขอเตือนศรัท ธ, ธาญาติโยมทุกท่านที่ได้มาฟังในวันนี้ คือหาหลักให้ใจิตใจให้ตั้งหลักในใจิตใจคือภาวนานะพวกเราจะลบเย็นเป็นทุกเป็นนานเท่านานทีเดียวการพูดการแสดงทำในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรขอจบตรงเพียงเท่านี้ต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะให้พรเป็นสิริมงคลอีกครั้งหนึ่งนะ